บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมองคลกระผมขอกราบอาชนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้โปรดเปิดการฝึกอบรมปฐมนิเทศในครั้งนี้พร้อมกับให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วิทยากรคณะกรรมการผู้จัดงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมสืบต่อไปในนามคณะสุมา มัตตโล่งสาวาสขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีท่านทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธศานิกชนนักถือวัตถศาสนาุทธศึกษาศาสนาพวงเรานั้นว่ามีอายุห้าพันปีสูวรเส้นผู้ศึกศาสนาห้าพันปีบางท่านเข้าใจว่าที่พยากรณ์เช่นนี้ เป็นคางพยากรของพุทธเจ้าบาท่านเข้าใจกันไหแต่ไม่ใช่หะเป็นคำพอพระคาถาอาจ า, า, จารย์พระอาจจราถาจารย์พยากรณว่าพุทธศาสนาครานี้ห้าพันปีสูญสิ้นพุทธศาสนาเมื่อพะสองพันห้าร้อยตึงคุการรัฐบาลของเราทำให้จอมพลปลูยสงครามก็จะมีการ ถลองนิพพานจัตวาตคือสองพันห้าร้อยเองธรรมพม่าก็มีการฉลองมากันนะสองพันห้าร้อยแต่เขาถลองก่อนประป่งปีเพราะการนับการนิพพานของพระเจ้านั้นธรรมม่า ก, กับไทยขึ้นไนะปได้ไงธรรมพม่าเขนับก่อนเราหนึ่งปีแค่พระเจ้านิพพานไปนี่ เขานับพอสอหนึ่งเลยแต่เรายังไม่นับนะรุ่เไปไปงเคยปีหนึ่งจึงนันี่ยพอสอนหนึ่งการขามา้าเขาจ้งมีประอร้อมากกว่าเราหนึ่งปีเวลานี้อกขาม้าเก็นสองพันห้าร้อยสี่สิบสองแล้วของเราสองพันห้ยสี่สิบิเ็ดเนี่ยคือขามากก้าเราปีการช้ อ, อง25่สิบห้าศตวรรษเนี่ยก็จะขอร้อ ก, การานี้ห่อย เป็นความรู้นะรู้ไว้ไประโยชน์โทษไม่มีสมัยจอมความต่อผู้คนสงครามเป็นนายยกคดีท่านผู้นี้เป็นนายกขายสมัยนี้ตั้งแต่สมัยเลยนานมากระยะหนึ่งก็เป็ น, ปา2500นภาษภาสองพันห้าร้อยก็อุปการยี่ปีมาจักรรรัฐบาลสมัยนั้นจึงได้ไประชุมกันว่าแว่นนี้ถึงเกิดรัฐบาลแล้วเนี่ยในฐานะเราเป็นชาติพุทธเองจะทําอะไรดีเป็นองศ์ที่ดี อกตรงกับว่าคจะสร้างศูนย์กลางพุทธศาสนาคือสิ่งทีมาสำคัญนำมารวมอยที่นันที่รลพุทธมณฑลอที่นั่นเนี่จะได้กวานหาที่ที่บังิญทุก์สยามือความสเม่อความใจสี่ได้สองพันห้าร้อย้ตรงกับปศสองพันห้าร้อยได้ที่เจ็ดเดียบ้อวไปชมกันอีกวัาหนึ่งว่ากลางของ คุทธม น, ทนนั้นจะสร้างอะไรดีเป็นองสอนที่ะระดจบกก็จะสร้างพุทธรูกเองราเป็นชาวพุทธนี่ควสร้างพุทธรูปนี่ก็มีปัญหาใหญ่เลยพุทธโลกนี้ตั้งมากมาย6ตประปางนะ6ติประธานั่งกอบดีนอนกับดีเดินกับดีแยกๆปาปางไหนดีไหมตกเลเล่ปาปาางที่สวยที่สุดนะปาปางไหนวสวยที่สุดเนะี่ปางดบลลา ฟางิงาตอนที่เด็กเกจกลมจัดชั้นดาวดึงหลังจากไปกพุทธมารดาในตอนนั้นประชาชนไปต้อนรับสเสด็จมากมายเหลือเกินเนี่ยเมื่อฟ้าบวดิง้งพระสารีบุตรก็ไปต้อนรับเหมือนกันนี่ยพระสารีบุตรถึงก็ออกปากชมเชยว่าไม่เคยเห็นพรที่เจ้านางมาบัดดีเลยงามจริงๆงามม า, มากเ ดังนั้นในการต่อมาประชาชนจะได้ทราบนะปางหนงขึ้นประทับยู่ยกหมหัศเซาซ้ายแพทย์อุรักคือนาบุและพระบาทมหัศเซาท้ายก็ก้าวไปข้างหน้าแต่ถนนก้าวเดินถวาลยพระนามว่าปาง ล, า ล, าลีลาลีลาลีลาแปลว่าท่าโดนที่สวยงามแต่ประชาชนเลือกเพื่อตัวปางกาไปขยงเฮ็ดเพื่อนี้ไม่ถู ก, กนะการไปขยงนะเห็นไม่ขยบขยงไปไม่ถูก้าปางลีลาแล้าท่าโดนที่สวยงาม กัต บ, บาลสมัยนั้นจึงได้นำพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยมาสร้างขึ้นที่พุทธมณฑลสริม 2,500 กระเบียดกระเบียอางเท่าไหร่กระเบีย ด, ยยดส่วนหนึ่งขาดิวเนาะส่วนหนึ่ ง, ขงเขาดิวเนี่ยเรียกกระเบียดเสริม 2,500 ระเบียดใกล้คลองกับ 2,500 เนี่ยการสร้างพุกสทุกอยา่างมีความหมายเนี่ยไม่ใชสร้างเฉนี่ยมีความหมาย 2,500 กระเบียด ชดีทองสามฤ์นีทองสามฤกษ์ทองอะไรทองสมฤ์เนี่ยทองหลได้อย่างรวมกันทองขาวทองแดทองเหลือทองคำลีบุกเนี่ยรวมเข้าด้วยกทองสามฤษ์นี่ยศิษย์ขุนัะแล้วพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันเนี่ยทวัตชานามพุทธกนีว่าพระสิริศากดิ์ยศพระเจ้ยานประธานพุทธมนตนยุททัพ พระสีกากระยะพุทธภรรยาประธานพุทธมนฑลสุภัสจารึกทิ่ท่านน่ยสวยมากมากนี่เป็นที่มาของพุทธมนฑลและพุทธรูปปางดีละที่พุทธมนฑลที่น้ำมะว่ากล่าวเช่นนี้เนื่องจากว่าบางท่านมันเข้าใจว่าพุทธมนฑลนั้นเกิดจากอะไรและพุทธรูปปางนี้ที่พุทธมนฑลนั้นเกิดมาอย่างไรเรียกรู้ได้ประโยชน์โทษไม่ดี นุโรปางนี้ที่พระม ท, น, ท น, นั้นบางท่านทวารเสนาพิเศษว่าปางกะตันยูปางกะตันยูเขาเนั น, นเนื้อมาจากที่หลังจากอ ง, องกค์สมเด็จก็มีพระคาแอค์ธรรมาดาบนชั้นดาวฤกษ์คือทวารเสรนาตนามหรือว่าปางกะตันูแต่ว่าเดิมนั้เรปางวีลาหรือปาวีล า, ล า, ลาไม่ใช่กระเพรายน่งะไม่ใช่กระเพราย ท็ควางกาะจ่างเลยทื่นำมาเล่าเช่นนี้เพื่อให้กวางรู้เป็นตําแ่เป็นตําแนไปน้อยนะรู้ไว้ได้ทั่วประหยกมากนะพุทธศาสนาพวกเรานั้นที่พระเจ้าขาอาจารย์พยากรณ์ว่า5้าพันปีนะสูเสิ้นพุทธศาสนา5้าพันปีสูงทิ้พุทธศาสนาได้บ้าระทลาย ไม่อยากให้ผู้กาสนาเนี่ยสูญสิ้นไปจะห้หู้คู่กับโลกนี้เราจะทําอย่าะไรดีก็มีอย่างเดียวคือเอาคู่กันเผยแพร่สิ่งธรรมให้แพร่หลายโดยเฉกาะเราทาไหนเนี่ยนะที่มาอบรมนักเทศนี่นะเรากาเป็นกองทัพธรรมนี้กองทัพธรรมที่จะนำธรรมคือคําสอนองคสมเด็จพรบะบรมศาสรานั้นไปเผยแพร่ให้แพร่หลายกระจายไปทั่วทุกมุมโลก ศาสนาเป็นย่างเดิมเรื่องกว่าห้าพันปีจะไม่ถูญสิ้นอาศัยพวกเราหละเป็นกองทัพทำเพราะทำมาดูแผ่ไปถึงไหนเจะอะที่นั่นนะทินใดได้ทำำําอันภัยทินนั่นบรรในแม่นอ น, อนทินใดใไฟทำำไฟําอันภัยทินนั่นสิ่งวิรัยแน่นอ น, อ, นอันนี้จะเห็นได้ว่าพระธรรมนี่สําคัญที่สุดทําให้บ้านเราเดินนะ เวาเนี้ยทุกท่านเห็นแล้ว่าบ้านเรือแยะเนี้ยในข่าวทางมนัพิมพ์ทางวิทยุทีมีอะไเนี้ยศีลทำมาเฉื่อยเฉลยเกินเนี้ยรัติการลายได้สาดแ้วนั้นเนี้ยที่ทอย่างไรใช้ศีลทำนั้นกลับคืนมาได้เนยทางวัตถุเจริญเกินเกินนะบ้านเรือเนียเจริญมากนะเจริญทางบ้านวัถุเนี้ะขณะเดียวกันทางด้านศีลทำมาเสื่อเต็มทีรแติการถทายเนี่ยจะเป็นทหารเอียดของพระพุทธเจ้า นำเอาศสียธรรมไปขอยแผ่เพือ่อนฟูความเสื่อมโทรมของศสียงธรรมให้เยาว์เก้านากรเพาะอาศัยพวกเราเนี่ยดังนั้นการที่เราถลายสนใจในการฝึกฝนอบรมนักเทศเนี่ยเป็นการดำเนินทางที่ถูกต้องดีแล้วไอผมลืน่นใจว่าศาสนาทุกครัองนี้คงจะไม่ล้มจนงไง คงจะเจริญก้าหน้าเพราะสายพวกเราเนี่เป็นผู้สำคัญที่จะทำให้ศาสนาเจริญก้าวห น, น้ายิ่งยิ่งขึ้นไป ท, นที่ทำยังไงเนี่ยที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในที่จะมาฝึกฝนอบรมเป็นนักเทศน์เนี่ยที่แม่การเทศน์นั้น ก็ไม่ยอย่างนะใครระเทดานะแต่จะแท้ครดีมีคนชมเชยนั่นยากขนมครกใครก็ทําได้เนยะแต่ขนมครกแส้ถีนะ่ขายจนไมาทั้งส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศได้มีชื่อเสียงนะยขายดิบขาดีกอคาเนตที่ขายเข้าเดี๋ยวเนะี่ยขายดิบขาดี และยังอีหลายเจ้าที่ขายดูขายดีเพราะอะไรเพราะเขาบมือนนักเทศก็เช่นเดียวกันนะต้องฝึกคนได้ดีฝีมือเทศน์คนจับใจเทศน์คนติดใจด้วยเหตุนี้ทางวัฐมนต่ีมาวัีนด้รกจึงมีการอบรมนักเทศเพื่อให้มีคุณภาพในการที่ไปเผยแผ่อยากเห็นทางเลือกหลายมีคุณภาพดีดนั้นท่านทางไหที่ ม, มารม มาฟังการอบรมนักเทศน์ที่ดีชั่วทัานทาารายคิดถูกต้องนีแล้วเพื่อสรงสริมศาสนาพุทเราให้เจริญก้าวหน้านะฮะเพื่อในะ้โอกาสค่นี้กับผู้ที่ได้แมันมือที่ีการเทศน์แบบเล็กน้อยเนอะ่ยนักเทศน์ที่ดีนั่นดูในหนังสืออน้น ว, าวา่าเนี่ยงคที่ได้ทำกระถึกเนี่ยมีสําคัันไหมองค์ที่รำกรถึกเปงห้าอย่าง กอะไรก็เคยมีมาแล้ว อ, องค์ท่านกระถึกนั่นคือองค์ท่าเทศนาไปโดยไม่จับรัชกาลใจความพระ ก, กระดูกโซ่เกี่ยวเรื่องพันอย่างนประการที่สองอ้างเหตุผลนี้เขาเขา้เขาใจมีเหตุมีผลประการที่สามก็ตั้งอุเมตตายหนึ่งวิญญาโไปดแก่ผู้ที่ัง และการที่สื่อเท็จไม่ถึงแก่ร่างและกระตุ้นโดยทำให้เขาเพราว่าจาคเป็นฟังไดเอาความเท็ไปปลิดเปลืองกมีหายนที่การตลาดทาสแล้วต้องยึดองค์ภายางนี้นงข้อสำคัญก็คือว่าอย่ากไปมุ่งรากกาละเนี่ยคือเขาเรามีองค์หนึ่ง เทสั้นที่เดียวเมมนะ่ยรมธรามะนะกระถาะหลวงพอหลวอม ว, วันนี้เทสันนยเทสตามหรือผ้ า, า, า เ, เทสตามหรือผ้าดูเือกำลังดูทีเดียวอ่ะก็เลยเทศที่เดียวนี่เห็นไก่ร า, าบไม่ดีนะฮะมด้เห็นก่ร า, าบทุกองค์ทุกคนยก็อยากจะได้ไกราศการเนี้ยแต่องงย่าออกนอกเนื้ออ่ภายในใจนะนี้ต้องขันมากองเห็นนักเทศคือทำอารรพ์เนี่ยจาไว้ด้วยจะได้เป็นนักเทสทีดี แล้วนอกจากนี้อค์ุลของนักเทศเนี่ยเรามีเรียนสองประเภทต้องกุศทธาเทศนาภยเรเทศเหมาะเวลามีวิชาพอเพียงเทศต้องกุศลทาอันแรกต้มงกุศลทาเนี่ยท่านควจะทราบเรื่องของ พระสชิเถระกับพุปติสสะซึ่งต่อมาเป็นภระสัจจบทเนี่ยาบุปติสสะนี่ได้เห็นพระอัษริเถระเกิดความรื่ในใสนยถ้าบุปติสสะได้ถศาสนาอื่นนียแต่่าเห็นพระองค์ในทางพระศาสนาพระสัชชิเ น, นีย่ยกระฐานรื่นใสเนี่ยจะลุกจะนั่งหรือช้ด้วขวาหน้าดึสายที่ในในนหนึ่งระบุนพรอมระม้งึ่งเนี่ย แต่คนสุดท้ายก็เลยขอท่านเทศนใหฟังอันนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องปริยามารยาทที่สาคัญมากของนักเทศนะ์นะเขาจะดูสมบัติผู้ดีนะดูที่พระจะดูสมบัติผู้ดีดูทุกพระไปเข้ายังเรืองพระนักเทศนะ์นะจำเรื่สมบัติผู้ดีสมบัติผู้ดีจะมีอะนั้นถึงได้อธิบายทั้งหมดสะอาดดีนะเพราะฉะนั้นนักเทศน์ต้องมีสมบัติผู้ดีเรียบร้อย เดี๋ยวโชค่้าเป็นจนโจรห้าร้อยองค์ไมได้เลยื่นศรัทธาดังนั้นองค์คณะเทพนั่นต้องุกศรัทธามีศรัทธาแล้วก็เทศนาไถรเหาะเทศนาไครเหาะกันวางสุ่งสีงให้ดีอนยะ่างไางเดี๋ยวแล้วก็เทหมอกเวลาในเชาว่าเขาจะเขาอกเวลานเที่ยงยนะเขศยนอย่างี้่อเไปเตือนแบบอย่างหาสนามลงไม่ได้ เทิอยู่กันด เ, เลยไม่ดีรู้จักระนะฮะแล้วก็มีวิชาขอเพียงมีวิชาขอเพียงต้องหาวิช า, าใจดูให้มากนักเทศีให้มาแล้วก็ในอัน ด, ดับที่สองก็มีมีปฏิภาณว่องไวจุตใจสะอาดเมตยากที่บริย มีการสร้างันต้นแต่เครื่องประกอบของนักเทศเครื่องประกอบของนักเทศต้องเี็เครื่องประกอบบรรดาช่างต่างๆช่างปูนช่างไม้ก็ตามถึงจะเก่งเพียงไรก็ตามเถอะมือเปล่าก็ไดไม่ดีเครื่องมือไม่มีเครื่องประกอบก็ทาไม่ได้นะช่างไม้จะต้องมีสิวมีกวนดงเรื่อยดีบอกไป้ถึจะสร้างอะไรได้มือเปล่าทำไม่ได้ช่างปูนก็มือนกันต้องมีเครียองมีอะไรประกอบถึงจะทาได้ ฉันใดก็ดีนักเทศ น, น์คนนันต้องมีเครื่อประกอบเครื่องประกอบก็คืออะไรเช่นคําอุ ป, ปมาเนี่อุ ป, ปมาทําให้ธรรมะนั้นชัดเจนแจ่มจ้ ง, ง, งถ้าคนจะเคยได้ฟังเรื่องเขากนะ็โสดะโกวิษณ์เนี่ยพระโสด้ตอนที่วิษา์นั่นราวกับความเพียรเพืกินะเดินจงกรมเดินเดิ น, เ ด, นเดินจนกระทั่งเท้าเป็นแผล เดินไม่ไหวเนี่รงลงคลานเนี่ยคลานคลานไปคลาน ม, มาจนกรทั่งมือที่เป็นแผลภูเขาเป็นแผลไม่สาเร็จเลยเบลนายธมจันรย์จักรศึกก็เดินทางไปจักศึกก็พอดีองสมเด็จค ร, รับบอสสัสดาเสด็คผา ม, มาพอดีทรงไต่ถามได้ความแล้วก็เลยเทศให้พระโสณะได้สดับ โดยนำเอาพินมาอุปมาเพราะว่าท่านพระสนะนี่เก่บในทางดีดพินเมือ่อดาบถึงขาวานเยเอาพินมาอุปมาดูกองโสณนะพินที่ขึงตึงเกินไปนั้นดีดไปไงไม่ใครร้องผลุดท้ายก็ขาดพินนั้นถ้าขึงวรงเกินไปเป็นไง เพราะไหมไม่เพราะเลยแล้วขึงอย่างไร จ, จริงเฉพาะเน่ะถึงพอดีๆคอรี่ฐานใบวางเพียนก็ไม่ดนะนตึงเกินไปนักก็ไม่ดีฟุ้งสัน้ยนย่อมเกินไปนักก็ไม่ดีเกิดทีน้ำอิทัต้องเดินเท้าแต่พอดีๆยังจะสําเร็จได้ท่านสอนะได้สตินี้เลยบางเพลียนพอดีๆสำเร็จเป็นพระอารหันนี่พระองค์ทรงใชอปปาา้อุ ป, ปามาเอุปมาทําให้ ธรรมะตอนนั้นเด่นชัดขึ้นไม่ต้องอธิบายมากนะเพราะฉะนั้นนักเทศน์ต้องหนุประมาเนี่ยอุปมาเนะี่ยประมาชนะนี้สุภาสิทธิ์สุภาสิตต่างๆนี่ดีมากนะีําว่าประกอบในการเทศนะ์เนี่ยต้องพยายามจำนัง่งประมาณสุภาสิทธินะ์อย่างคําว่าอย่าเพิ่มฝอยหาตนะเข็บเนี่ยอย่าเพิ่มฝอยหาตะเข็บเข้าใจยังไ บางคนไม่เข้าใจยันโย่แต่เ็กเผ้าเลยถ้าเ็กเนั้นตูค่อยๆจะขาบนะ่ยตูเล็กๆนี่ยตัวกว่ากัน้นขีดหมันอยู่ในกองขยะนี่นี่ขะไปไปเกลืขยะขึ้นมาตัวิ่งผรานเลยขนะ้กแข้งก้อขานี่ยหน้ากำคานยันนี้เรียรกเพื่อนฝอยขาะเ็บคือให้เถเป็นมราออกมาเพ่นผ่านตนพะอความกำคานา ทันไไปดีเรื่องต่างๆมันเก็บไวาไปแล้วนะขุดคุด้ยก็ไปอีกทำมาเกิดพุ่ไวายใช่ไนหะในทางเข้าไปในก็ไหมือนกันนะมีบทหนึ่งว่าอะไรอิกรที่ก็ทําสงบเรียบร้อดีแลนะ้วอะฟื้นทึ้มาอีกเนะี่ยฟื้นขึ้นมาทำใหม่เนะี่ยเป็นบาจิตีเนี่ยก็ข้าในข้อนี้กันก น, นะฟื้นฝอย ห, หาตะเข็บเพราะฉะนั้นดูพาสิตต่างๆอย่างนี้จำเอามาใช้ก็ดีเหมื อ, อนกันนะเกิดประโยชน์ ไปได้ปฏิพันไหวฟิกมี้งได้ยินกันนหมพระแท้จะไปปฏิพานไหวฟิกนะเป็นอะไรทุกมาปฏิพานไหวฟิก้กกนนมกะ ม, กมีท่านมหาน้อยนะนักเทศศากเอกที่อยู่วัดเราเนี่ยเทศเก่งมากนะไปแท้ทั้งพระครูโา ธ, ธรรมอาจารย์วัดดาวดงไปถามเรื่อง ไก่กับไข่เนี่ยไข่เกิดก่อนเนี่ยไก่กับไข่เนี่ยไข่เกิดก่อนไก่เกิดก่อนหรือไข่เกิดก่อนท่านก็โครก็โคว่าก็ไก่หรือไก่ก่อนมันอยู่ตัวหน้าเนี่ยก็ไก่ขอไข่เนียอยู่ตัวหน้าก็เกิดก่อนเองทำปฏิภาณดีอีกคราวหนึงท่านก็โค้หันพิทักษ์ไรรักเนี่ยนักเทศเอศเมื่อไรอยู่วัดกฉนัดดาท่านกโค้วเหมือนกันนะตงน้ปริภาณมากเลยนะใครได้ไม่จนนะ แค่เรื่องทานนะครูครูอธิบายการให้ทานวัตถุทามข่าวปลาอาหารผ้าพอลถอดสบาครูครูผันก็ถามว่าไอถอดสบายก็ทราบมาให้ผ้าพอลไปไหนผ้พาพอลอา้าวทันอีโง่ไม่รู้ผ้พาพอลก็คือถุงนี่หสือถงงั่น ง, พพนงนี่มุดได้รับตัวนี่เดี๋ยผ้าพอลท่านอธิบายงั้นเรียเป็นปฏิภานอย่างหนึ่งเหมกันนะเป็นปฏิภาน แต่ในพู้ที่ปฏิภาณก็นย่้องหมดนะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเด็กทายจาจโตน ะ, นะทะยวดะคำนะนี่ปฏิภาณกิได้นระสีห <c oughs> ์นะคราวหนึ่งเด็กมากฟ้อนท่านสมเด็จนะว่าแค่ มันมาเรียงแพะมันมากินใบโพที่หลวงพ่อโลูกเอาไวนะ้นไงเป็นพพพุทธคยาเป็นจุงโก่ดเลยเนะงี้ยมาพร้อมสมเด็จสมเด็จจะก็ถือไอ้ท้าลงมาไงมาชี้หน้าแขกนี่นี่ทำน้ำใจให้แพะนกินใบโพนะนี่โพพุทธคยาเนะี่ยโพกระเชรู้นะนี่ยแขกว่าใครใช่ไหมใช่โพเต้นเดิมอยู่พุทธคยาไม่ใช่ตอนนี้ไง ก็จะพขยากปนนิพพา่ไม่ใช่สมเด็กก็ยอดตนนั้นไม่ว่าต่อมาอแขกคนนี้นะนาลูกศิษย์ของท่านมาฟ้องว่าเด็กคนนี้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยแกล้งเอาหมูใสกระทะเอามูใส ก, ก ะ, เ อ, สกกะเอาเชือผูกแล้วก็วางแก้แต่ถามว่าริงเนี่ยจรงเนี้ย หมูแผงที่กระถางถึงเด็กจะบอกว่าไม่เป็นไรแนะหมูกระตุว้วหมูที่พระเจ้าห้ามนั้นไม่ใช่ตัวนี้แล้วตัวนี้ไม่ใช่หมูที่พระเจ้าห้ามไั่เปรนไรเลยเลยโดนสกปกอันนี้เป็นปฏิภาอยางหนกันนะเพื่อนักแ ท, ท้สงายนั้นต้องมีปฏิภานโหานนะฮะเจะดีะนัดัวยยต้องมีหมัดมีเท้ามีหอกมีเขา่าหลอกตัวนะ ชนะได้ธรดมยาเดียวแล้วก็สู้เขาไม่ได้นักเท้กับกมัาจะไปหลายท่ายางเลยตยาสู้เขาได้นี่ค่ะคำคมมีคำคมคำคมที่สำคัญไม่ใช่ไหมีอาจารย์โรงเรียนอัศรชั น, นได้แต่งประพันธ์เป็นคำคมว่าสองคนเดินตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นเปลตมอีกคนมองเห็นดาวอยู่พร่าพรายเพศตุลาสิงหนะ์เนี่ยช่องเดียวกันนะคนหนึ่งเห็นเวลกตมอีกคนนึงเห็นดวงดาวพร่าวรายก็ทําให้เราถึงได้ชายสิษฐ์ถักเนี่ยที่ทอพันไดเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตาย มันไปนชิดเนี่ยอันนี้เองเป็นเหตุให้พระองค์ออกพนวดได้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งๆ ท, ที่คนแก่คนเจ็บค น, บคนตายมันไปคิดเนี่ยเรื่องแยะคนในโลกนี้เห็นได้วนะแต่ว่าไม่ได้เอามาคิดพิจารณาเลยไม่ได้เป็นพระุทธเจ้ากลายเป็นหูกระทาตากระทูไปเลยมีตาก็ไม่ได้พิจารณามีหูไม่ได้พิจารณาฟังวัเง ด, ดเองดูวัดเอง แจะใช้ศิลธรรมนั้นทรงมีศักดิชาสามารถออามาคิดอย่างบทประพันธ์ที่อาจารย์ยนุวิทย์สัจฉันได้แต่ไงไว้เนี่ยร้วงไห้ร้องมาจนคำคมนี่เปิดสนาเปริน ส, นปนสนาคือที่ตั้งขึ้นมาให้คิดให้ตีให้แต่ะด้วยปริศนาเช่นว่ายางเช้าเจ้าสินขาครานไปมาร้องไห้แง เที่ยงวังกับขันแปรเป็นสองเท้าเป็นสองขามากแต่ใจขันยามสายยาเย็นเหมาะขันยามสายานเนน ย, ายานเ็นกับรายเห็นเป็นสามได้นี่คือสัตว์อะไรแม้นเห็นชอบตัวตอบเลยอย่าได้ติดปริศนาให้คิดให้ตีให้แตกยามเช้าเจ้าสีขาขามไปมาร้อให้แห่ถ่ารักก็จะทราบแล้วนะแต่บางท่านอาจจะยไม่ทราบ ก็เด็กๆเด็กเล็กๆไคลานพันคลานมาเราะงงเนี่ยยางช้าคือตอนเด็กๆเนี่ยเจ้าสิ่ขาข้างไปมาห้เนีไยขันยางยางช้าเจ้าสิ่ขาข้างไปมาเราไงอะไรข้างเที่ยงวันกลับขําแปรเป็นสองขาน่าแปลกใจคือโตขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ต้องคลานเดินเดินสองขาระยันขายันเดินกลับไรแค่นี้เป็นสามได้ คือต้องถือไม้เท้าวะนะแก่ก่อนแก่นี่อย่างนี้ว่าปาิดสนานะปิดสนามตีให้แตกนะนี่จำไหมนี่ก็คาถาคาถาคาถาทีาานะ่สำคัญนเนะเอาไว้เพศบางอย่างก็ต้องใช้คาถานะครั้งหนึ่งจนเด็ดโตันี่นะท่นานหลวงระครังน ท่านกวารวัดรางวัดในทุกวันทุกวันนะตัวนี้ยังไงวันหนึ่งท่านกำลังกวารวัดอยู่นะก็มีเด็กคนหนึ่งร้องโอยโอยโอยเลือดเต็มหนักแข้งไงมาผ่านหน้าท่านท่านภาวะไอหนูไปแล้วว่าหมากัดครับเออเองไม่มีกระถางนี่หมาจึงกัดเนี่ยเอาใครจให้กระถางเองกระถางนี่เก่งมากนะหมาให้กัดอ่ะเอานั่งลงนั่งลงเาใจำไม่ดีนะ ขยายคาถาเอไอ้ไจอไอ้จอหา ง, งอหูกลางเอ็นดูกูบ้านอารางพุทโเอ็นจำไหมนะคาถาบทนี้ขังแล้วก็ลง เ, นะลง เ, เพีย้ยนยนะลงเลี้ยนทให้เพี้ยมไม่ขังเนี่งเพี้ยนไอ้ไจอไอ้จอหา ง, งอหูกลางเอ็นดูกูบ้าองอารางพุทโธเพี้ยคาถานี้ขัง ด้วย ก, การดยกาดว้วยความตื่นใจแต่จะด้มาหนาไม่กัดใช่ไหมกันจะไดถากัรยักคาถากันยักมีคาถากันยัก <c oughs> คือคนฟังเทศหรือฟังการคาถาังการอบรมเนี่ยมักจะมียักเข้าสิงยักไมสามยักเลยนะชอบเข้าสิงคนฟางเทศ เพรเข้าเสียงคนฟังปฎกถาร่วม น, นอนเนี่ยจะฟังเทศเรื่องนอนเพราะยักมันมาเข้าสิยงนี่ยักจนที่หนึ่งเข้าสิยงแล้วหลักหลังคือนั่งหลับนะฮะฟังอยูเรื่องเนี่ยยักจนที่สองเข้าสิงเพราคุยไปเล ย, ยฟังอยู่เรื่องเพราะนั่นยักษ์สามตนที่สําคัญมากเนี่ยในฐานะเราฟังปฎิกราฟังเทศเนี่ยก็ตาม ตระวังย้ายักษ์สามตนนี้เข้าสิงได้การฟังจะได้ผลดีไม่มีคาถาสำหรับกันยักษ์สามตนนี้ท่านต้องฟังด้วย น, นะอาภิเทศโอมะทิมติตมหาพิจารณาสัพเพยักษ์ขาปรายันติโอมะทิมติตมหาพิจารณาสัพเพยักษ์ขาปรายันติคือมีสติให้นะนะเรามีสติว่าเวลานี้เราฟางเทศ รายได้าพัฒนาต้องต่างใจฟัง